ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยาสังกะอัตถตาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังกาพจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลว่าในเรื่องอุโบสถปวารณาต่อถ้าว่าภิกษุห้ารูปจำภาษาในวันวัตสุปนญยิกาต้นคือเข้าภรษาต้น อีกห้ารูปจำปัสสาในวสุปนาญิการหลังเมื่อภิกษุพวกแรกตั้งยติปวารณาแล้วภิกษุพวกหลังพึงทําปาริสุทิอุโบสถในสำนักของพวกเธออย่าพึงตั้งยติสองครั้งในโรงอุโบสถเดียวกันอันนี้ไม่ให้ตั้งยติสองครั้งก็คือภิกษุที่จำปรสสาต้นตั้งยติปวารณาแต่ว่าภิกษุที่จําัสาหลังจะมาตั้ง ยติอุโบสถอะไรไม่ได้หรือว่าตั้งยติปรานาก็ไม่ได้ด้วยไม่ให้ตั้งยติสองครั้งแม้ถ้าว่ามีพิกษุสี่รูปสามรูปสองรูปหรือรูปเดียวก็ตามจำพรรษาในวันวันวนสุ ป, ปานายิกาหลังก็ในนี้นั่นแหละก็คือต้องไปแสดงบริสุทธิ์บริสุทธิที่อุโบสถในสำนักของพิสุที่จำพรรษาต้นที่เขาปรณากันไปนแล้ว หากว่าพิกูจนผู้จําภาษาต้นสี่รูปแม้วันเข้าบรรษาหลังจะมีสี่รูปสามรูปสองรูปหรือรูปเดียวก็ตามก็มีในนี้เหมือนกันแม้หากว่าพิกูจนสามรูปจำภาษาต้นสามรูปสองรูปหรือว่ารูปเดียวจำภาษาหลังก็ในนี้นั่นแลนี่เป็นลักษณะในเรื่องปรวารณ า, านี้ก็คือถ้าถึงวันมหาปรวารณ า, นานเขาไม่ต้องทำปรวารณ า, ากัน ถ้าอยู่ห้ารูปไปตั้งสังขยติถ้าอยู่สี่รูปสามรูปก็ตั้งคณะยติถ้าอยู่สองรูปก็ไม่ต้องตั้งยติปรณนากันเลยอยู่รูปเดียวก็อธิษฐานแต่ว่าที่สุดที่จำพรรษาหลังก็ต้องแสดงปริศธิอุโบสถถ้าว่าทิ่สุญผู้จำพรรษาในวันเข้าพรรสาหลังมีน้อยกว่าทิ่สูญผู้จำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นถือว่าเท่าๆกัน และให้ครบคณะสังฆ่าปรณาได้พึงตั้งยติเดิมนาสังฆ่าประนธาอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าผู้ที่จำพรรษาในวันเข้าบรรษาหลังมีน้อยผู้จำบรรษาในวันเข้าบรรษาต้นเนี่ยน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันก็ตามเช่นมีคนลาสามรูปเข้าบรรษาหลัง่มีสามรูปเข้าพรรษาต้นมีสี่รูป หรือว่าข้าวภาษาหลังมีสามรูปเข้าวภาษาต้นมีสองรูปรวมเป็นห้าถ้าครบห้าทำสังข้ปรณาไดา้ตั้งยติเป็นสังขปรณาอันหนึ่งถ้าในวัตถุปัญิก า, า, าต้นคือข้าวภาษาต้นมีพิกษุสามรูปในวัตถุปัญิกาหลังมีพิกษุเพียงรูปเดียวรวมกันเข้าเป็นสี่รูปภิกษุสี่รูปจะตั้งยัติเป็นการสง แล้ววาวณาหาได้ไม่คือไม่ควรแต่พิกตุจำปัญสารหลังนั้นเป็นคณะภูรกักของคณะยะติได้อยู่ก็คือต้องทำคณะยะติไม่ใช่ทำสังคยติเพราะฉะนั้นปิกตุจำปัญสารต้นสามรูปพึงตั้งยติแล้วปรน า, าเป็นการคณะพิกิุนอกนั้นพึงทำปาริสุธิอุโบสถในสำนักของปิกิุเหล่านั้น ในวัตถุปานายิกาต้นมีสองรปูปในวัตถุปานายิกาหลังมีสองรปูปหรือว่ารูปเดียวก็ในนี้เหมือนกันก็ให้ทําคณะยะติแล้วก็ปรณากันในวัตถุปานายิกาต้นมีรูปเดียวในวัตถุปานายิกาหลังก็มีรูปเดียวรูปหนึ่งซึ่งปรนนาในสํานักของมิตรอีกรูปหนึ่งฝ่ายอีกรูปหนึ่งพึงทําปาริสุธทธิอุโบสถ ถ้าว่าพิสูจนผู้เข้าปัญหาหลังมีมากกว่าพิสูจผู้เข้าปรญหาต้นแม้เพียงรูปเดียวพึงสวดปาติโมกข์ก่อนแล้วพิสูจนพวกน้อยกว่าประปรณาในสำนักของพิสูจนฝ่ายข้างมากกว่าพอถึงวันมหาปรปรนาพิสูจน์รำปัญาต้นมีแค่สองรูปพิสูจน์จำปัรหาหลังมีสามรูปสี่รูปมีมากกว่ า, านี้ก็ต้องสวดปาติโมกข์ทำอุโบสถ มาทางโบสดเสร็จแล้วพิสูที่จํานรรษาแรกให้ปรนนาต่อภายหลังส่วนในวันปรนนาที่ครบสี่เดือนในเดือนกติกาคือวันปรนนาที่จำพรรษาหลังถ้าว่าพิสูผู้เข้าบรรสาหลังมากกว่าภิกษุผู้เข้าพรรษาต้นซึ่งได้ปรนนาแล้วในวันมหาปรนนาหรือมีจํานวนเทเท่ากัน ผพิสูจน์ผู้จำบรนสารหลังพึงตั้งปารณายติก็คือต้องทํำปรณนาซะแล้วในวันปรณาที่เข้าบรรษาหลังเนี่ยนะคือถ้ามีจํานวนมากกว่าต้องทํำปรณาแล้วก็ปรนนากันเมื่อพวกเธอได้ปรณาการเสร็จแล้วฝ่ายพวกพิสูจน์ผู้จําบรนสาต้นนอกนี้พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในภายหลังถ้าพิสูจนผู้ปรณาแล้วในวันมหาปรณามีมาก พิสูตผู้จำบรรสารหลังมีน้อยหรือว่ามีรูปเดียวเมื่อพวกพิสูุจำบรรสาต้นสวดปาฏิโมกขเสร็จแล้วพิสูตผู้จำบรรสารหลังนั้นพึงปรนาในสำนักของพวกเธอถามว่านั่นควรสวดปาฏิโมกขทั้งหมดทีเดียวเลยหรือหรือว่าสวดเพียงเองกเทศก็ได้แก่ว่าจะสวดเพียงเองกเทศก็ควรแต่ว่าต้องมีเหตุสมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายปาติโมกุเทศมีห้าเหล่านี้คือพิกษุสวดนิทานแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทสวดนิทานก็อะไรสุนาตูเมพันเตสังโคเนี่ยนะท่านเจ้าข้าเราสอ ง, ง, ฟงฟังพระพุทเจ้าโบสถวันนี้ที่สิบห้าแต่ความพล่พรั่งของสองถึงที่แล้วสองเพื่องทางโบสถเพื่แสดงถึงปาติโมกพวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังจงใส่ใจถึงปาติโมกนั้นให้สมดุลประโยชน์ ผู้ใดของไม่มีอ ბ ัตผู้นั้นก็เพิ่งเปิดเผยเสียเมื่อไม่มีอาบาัตก็พึ่งนิ่งอยู่กับเพราะความเป็นผู้นิ่งแล่ข้ามจ้าจะทรางทั้งทนหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อการสวดประกาศให้ได้ยินมีกําหนด3ามครั้งอย่างนี้เป็นเหมือนถูกถามตอบชิพะองคเฉพะองคข้อพิสูจใดเมื่อสวดประกาศจบครั้งที่สามระดึกอาบัตได้อยู่ไม่พึงเปิดเผย อ, อาบัตซึ่งมีอยู่สำมัญชานมุสาวาส ท, ทุกกฎย่อมีแก่เธอนั้นทั้งั้งหลายก็สำมัญชานมุสาวาสแลพระผู้มีพระพานเจ้าตรัสว่าเป็นนนธรรรรอััตาายเพะะฉะน้น เมื่อต้องอบับปางแล้วเราดึกได้พึงเปิดเผยอบปางซึ่งมีอยู่เพราะเปิดเผยอับปแล้วทรัอนอู่ผ้าสุกย่อมมีแก่เธออันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิทานนิทานอุเทศถ้าสวดอย่างนี้จบแล้วอภาษาบาลีพึงตรวจอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทก็คือสวยอดย่อนั่นเองนี่เป็นปางติโมกอุเทศที่หนึ่งก็ตรวจ น, นิทานแล้วก็สวดประชิกสี่จบแล้วพึงตรวจอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทตรวจย่อเลย อันนี้เป็นปาติโมขุเทศที่สองเป็นปฏติโมขุเทศที่สองสวดนิทานสวดปาราชิกสี่สวดสังฆานิเศษสิบสามจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทนี้เป็นปาติโมขุเทศที่สามเป็นปาติโมขุเทศที่สามสวดนิทานแล้วก็สวดปาราชิกสี่สวสังฆานิเศษสิบสามสวดอานิยตะสองจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบท นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่สีส่วนโดยพิจารณาทั้งหมดนั่นแหลเป็นปาติโมกขุเทศที่ห้าเป็นวิถารุเทศตรวจบพิจาราลเพราะฉะนั้นก็มีปาติโมกขุเทศนี้มีห้าของพิจิตรีนี้จะมีปาติโมกขุเทศสี่เท่านั้นก็งนั้ น, น ร, รวมเป็นเก้าของบิจิณรีนี้จะไม่มีอนิจจตุเทศไม่มีอนุยจตา ในเรื่องนี้ข้อว่าสวดนิทานแล้วึงณสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทนี้มีความว่าครั้นสวดนิทานนี้ว่าสุนารุเมพันเตสังโฆอาชปโปสโทปนรารโซโยดิสังคัสปตงกัลลังสังโฆโปสังการะยะปาติโมขังอุดิเศยะเก่งสังคัสปุปปิจังปาริสุทธิงายสมโตอาโรเจธะ ตาติโมข้ n งอุเดศิตามีตังสัมเ u วาสันตาสาธุกลางตุ s โอมมะมะนาสิกโรมะยาสั t ยยาอาปัจจิโสอวิกระยะสันติยาอปัิยะตุณีภวิตตบังตุณีภาเวนะโคปนายสมนเตปริสุธานติเเดศามียทาโคปนาปเจกขุทธาสามียกรนังหตเเอวามวังเอวรูปายปริสัยยยวัติยังอวิสาวตังหตเโยปนาทิยตติังอนุสยมเนสรมาณสติงอปติงวิกรย สัมปชัญญมุสาวาดาสะโหติสัมปชัญญูมุสาวโดโคปนายสเมโตอันตรายโกธั ม, มุโกโตภกวาตาตัมาสมมสระมานนาภิกุานาอาปาเนนาวิสุทธาเตเคนะสันติอาปาติอวิกัตตาบาอาวิกตาหิสละพ า, าตูโหติอย่างนี้ก็เรียกว่านิทานเมื่อส่วนนิทานแล้วเพ่งกล่าวว่าอุติทงังโคอายสมโตนิดานางังตทายสมเมเตปุชามิกจิธาบริสุทธา โดยที่ยมพีบูชามีกจิาา ต, ต า, จ า, ปาปริสุทธาตามเป็นยมพีบูชามีกจิตาปริสุทธาปริสุทธิ์เทถ่ายมสมพัโตตามสมา ต, ตนนุนีเอวะเมตังธาระยามิ น, นี้ก็เป็นการถามสามครั้งแล้วเพื่อตวดสี่อุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทตังนี้ว่าสุตาโคปนาเยสมันเตหิจะตารโอป ร, ราชิกาธรรมาสุตาโคปนาเยสมันเตหิเตราสาสังขาดิเซซาธรรมาสุตาโคปนาเยสมันเตหิ ดเวนยตาธรรมสุตตาโคปนายสมนเตอยสมนเตหิติงสันิสกิยาปากิยาธรรมาสุตตาโคปนายสมนเตเวนุติปาเกตยาธรรมาสุตตาโคปนายสมันเตจตารโรปาติเนสิกยาธรรมาสุตตาโคปนายสมันเตเสกิยาธรรมาสุตตาโคปนายสมนเตตตาธิกรนาสมทาธรมมาเอตังตัสสะภะวันโต เอตุกันตัสสัพควะโตสุตตะตังสุตตาปริยาปนังอนุธรรมสังอุเดชะอันกัจเตตถาสบเหววสมฆิสัมวเดมานิฮิอวิวรามานิฮิสิกิตัมบนติอันนี้ก็เรียกว่าแม้ปาติโมกุเทศสย่างที่เหลือก็พึงทราบตามในนี้อันนี้ก็เป็นการสวดโดยย่อแต่พิสูจนไม่พึงสวดปาติโมกโดยย่อเว้นแต่มีอันตรายเพราะพระบาลีว่า ดูการพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ตรวจสวดยอด่อเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ตรวจย่อดูดการพิสูจทั้งหลายเมื่อไม่มีอันตรายพิสูจนไม่พึงสรวจโดยย่อรูปใดสวดรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฏปกติแล้วก็ควรจะตรวดแบบทฤษฎา น, นอกจากมีอันตรายแต่ว่าสมัยนี้ก็ตรวจไม่ได้อะสรวจไม่ได้เอาแค่ไหนก็แค่นั้นนะนะ อันตรายในเรื่องนี้คืออันตรายเพราะพระราชาเสด็จมาหนึ่งโจรมาปล้นหนึ่งไฟไหม้หนึ่งน้ำหลากหนึ่งคนมามากหนึ่งผีเข้าวิสุทหนึ่งสัตว์ร้ายเข้ามาหนึ่งงูเลื้อยเข้ามาหนึ่งอันตรายแห่งชีวิตหนึ่งอันตรายแก่พระมรรจ์หนึ่งถ้ามีอันตรายคลิปอย่างนี้ก็อนุญาตให้สรวดย่อได้หรือว่าพระเถราตรวจได้แค่ไหนก็เป็นหน้าที่ของพระเถราที่จะต้องสวดแค่นั้น เวรนิชัยนี่อันตรายสิบอย่างมีอันตรายแต่พระราชาเป็นต้นนั้นถ้าเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายคิดว่าเราจะทำอุโบสถนั่งประชุมกันแล้วพระราชาเสด็จมานี้ชื่อว่าราชันตรายพวกโจรพากันมานี้ชื่อว่าโจรันตรายไฟป่าลามมาหรือว่าไฟเกิดขึ้นในอากาศนี้ชื่อว่าอัคยันตรายฝนตกหรือน้ําหลากมานี้ชื่อว่าอุดักันตรายมนุษย์ มากันมากนี้ชื่อว่ามนุษย์สันตรายผีเข้าพิจุนี้ชื่อว่าอามนุษย์สันตรายสัตว์ร้ายมีเต๋อโครงเป็นต้นเข้ามานี้ชื่อว่าวารันตรายสัตว์มีพิษมีงูเป็นต้นกัดพิจุนี้ชื่อว่าสริสปันตรายสริสะปะนี่ก็แปลว่างูพิจูอาพาธทาการลกิริยาหรือพวกคนมีเวรการปองจัฆ่า จับพิจุนั้นนี้ชื่อว่าชีวิ ต, ต, ตอันตรายอันตรายจต่ชีวิตพวกมนุษย์ประสงค์จะให้พิจูกรูปเดียวหรือหลายรูปเคลื่อนจากพรหมจรรย์จับเอาไปนี้ชื่อว่าพรหมจริยันตรายในอันตรายเห็นปานี้พึงสวดปาฏิโมกย์ยอดได้จะพึงสวดอุเทศที่หนึ่งหรือว่าสวดสองอุเทศสามอุเทศสี่อุเทศเบื้องต้นก็ตามในอุเทศเหล่านี้มีอุเทศที่สองเป็นต้น เมื่ออุเทศใดยังสวดไม่จบมีอันตรายอุเทศแม้นั้นพึงสวดด้วยสุดตบทคือสวดยอดทีเดียวแต่เมื่อนิทานุเทศยังสวดไม่จบชื่อว่าการที่จะพึงสวดด้วยสุดตบทย่อมไม่มียังไงก็ต้องสวดนิทานุเทศให้จบก่อนแม้ในปรวรณากรรมเมื่อมีอันตรายพิกสุจะทำเดเววาจิกะปรณาคือปรณาสองครั้ง แต่ว่าเอกวาจิกาปรณาปรณนาครั้งเดียวหรือสมานะวจิกาปรณนาคือปรณนาทิกฐุที่มีภาษาเท่ากันกจะปรณนาพร้อมกันเลยก็ควรในเรื่องนี้มีข้อวิธีใช้ดังต่อไปนี้เฉพาะภิกษุผู้ตั้งยติพึงกล่าวว่ายดิสังคสะปตะกันังสังโขดเววาจิกังปวารยังแปลว่าถ้าความพร้อมพรั่งของสองถึงที่แล้วสองเพึ่อนปรณนาสองผล ในการปรวรนาหวนวเดียวก็ว่าเอกวาจิกะพึงกล่าวว่าเอกวาจิกังปวารยะแปลว่าพึงปวรนาหวนวเดียวเฉพาะในการปรวรนาของพิจุผู้มีัญษาเท่ากันพึงกล่าวว่าสมานวัสิกังปวารยะแปลว่าพึงปรวรนามีรรษาเท่ากันก็แนแลในการปรวรนามีรรษาเท่ากันนี้นพิจูผู้มีภรษาเท่ากัน ในหลายรูปย่อมได้เพื่อปวารณาพร้อมกันก็พิกษุเมื่อตั้งสัพพะสังคาหิกายตินี้ว่าตุนโตเมพันเตสังโฆอาชาตวร า, ารณาปณารติยดิสังฆา ป, ปะตะกันลังสังโฆปวาริยะแปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังคับเจ้าวันนี้เป็นวันประวัรินาดิถีสิบห้าค่ำถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงฆ์พึงประวารณาอันนี้ก็เรียกว่าสัป บ, บสังคา ย, ยกายติก็เป็นการปรนน า, าทั่วๆวไปกล่าวธรรมดาทั่วทวไปดังนี้แล้วจัดปรณนาแบบเจวาจิกาคือปรณนาสามผลก็ได้เดเววาจิกาคือปรณนาสองผลก็ได้ เอก ว, วาจิกาปรณาผลเดียวก็ควรเหมือนกันถ้าตั้งยติแบบกลางๆแบบนี้นะแต่ว่าปรณาแบบสมานะวสิกาคือพิจูผู้มีภาษาเท่ากันปรณาพร้อมกันเท่านั้นไม่ควรถ้าตั้งสังข ย, ยาติแบบสัพพะสังขยกา ย, ยาติเนี่ยจะปรณาสามผลสองผลหนึ่งผลได้แต่ปรณาพิจูมีภาษาเท่ากันนี้ไม่ได้ไม่ควร แต่เมื่อพิกโตตรวจประกาศว่าเตวาจิกังปวารยะเตวาจิกังป ร, า ร, ะะาาปรนาเท่านั้นจึงควรปรนาอย่างอื่นไม่ควรเมื่อตรวจประกาศว่าดเววาจิกังปวาระยะดเววาจิกาและเต ว, วาจิกาย่อมควรคือถ้าสวดประกาศว่าเราจะประนาสามครั้งก็ต้องปรนาสามครั้งเท่านั้นสองครั้งหนึ่งครั้งไม่ได้ถ้าบอกว่า เราจะปรนาสองครั้งจะปรนาสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้หนึ่งครั้งไม่ได้ถ้าสวดประกาศว่าสวดประกาศปรนาสองครั้งนะถ้าเตเววาจิกาเตวัจิกานได้แล้วก็ปรนาสองครั้งสามครั้งแต่ว่าปรนน่ครั้งเดียวหรือว่าปรนามีภาษาเท่ากันสมานวัติกาปรนน่าเนี่ยไม่ควรเมื่อสวดประกาศว่าเอกวัจิกาปวารยะก็คือพวกเราเนี่ยหมู่สองทั้งหลายจะปรนน่า ครั้งเดียวเวลาที่จะปรนาจริงๆก็ปรนาเอกะวะจิกาครั้งเดียวก็ได้เววะจิกาสองครั้งก็ได้เตวาจิกาสามครั้งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสมานวัติกาปรนาเท่านั้นไม่ควรจะปรนาทิโตที่มีสาเท่ากันไม่ได้เมื่อสวนประกาศว่าสมานวัติกาปวาระยะปรนาทั้งปวงทุกวิธีย่อมควรหมดเลยจ้าบอกว่า พระสงค์ที่มีพรรษาเจ้ากันให้ปรนนาพร้อมกันจะปรนนาสามครั้งสองครั้งหรือว่าครั้งเดียวก็ได้เท่านั้นถามว่าใครควรสวดปาติโมก ค, คนที่สวดเนี่ยใครจะเป็นผู้สวดตอบว่าพระเถระควรเป็นผู้สวดปาติโมกสิบธิปัญญาขึ้นไปควรจะสวดปาติโมกก็มีพระบาลีว่าดูก่อนที่รณดทั้งหลายเราอนุญาตปาติโมกเนื่องด้วยพระเถระ หรือพิกูจนวกกะจะสวดก็ได้เพราะมีข้อบาลีว่าดูการพิสูจทั้งหลายบรรดาพิสูุนเหล่านั้นพิสูจ ร, รูปใดเป็นผู้ฉลาดสามารถเรา อ, อนุ ญ, ญาตการสวดปาติโมกให้เป็นหน้าที่ของพิกูุ ร, รูปนั้นเพราะฉะนั้นควรมนผู้ฉลาดถึงผู้สามารถนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่ทรงจำปาติโมกได้แล้วก็สวดถูกต้องตามอักขระฐานกรทั้งหลายสําหรับในเรื่องนี้มีวิลิขัยดังต่อไปนี้ ถ้าผู้มีพระพากยเจ้าอนุญาตการสวรวจปาติโม่แก่ทิศุผู้ฉลาดแม้ยังหนุ่มก็จริงถึงกระนั้นในข้อนี้ควรสร้างอธิบายดังต่อไปนี้ถ้าปกติปาฐิโม่อุเทศห้าหรือสี่หรือสของพระเถระยังไม่มาก็คื อ, อยังสรวจไม่ได้สองอุเทศเป็นของไม่บกพร่องชํานาญดีคล่องปากปาติโม่คงเนื่องด้วยพระเถระพระเถระก็ตรวจได้แค่นิทานุเทศกับปาราชิตสเท่านั้นเอง ที่เหลือก็ยังตรวจไม่ได้ถ้าได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระเถระเหมือนกันแต่ถ้าแม้เพียงเท่านี้ท่านยังไม่สามารถเพื่อจะให้ชนานาญได้ย่อมเป็นหน้าที่ของพระภิสุผู้ฉลาดทีเดียวเพราะฉะนั้นพระเถระจะตรวจเองหรือเชื้อเชิญให้พิกษุรูปอื่นตรวจก็ได้ภิษุที่พระเถระยังไม่ได้อันเชสนาไม่พึงตรวจเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ทิสุไม่ได้รับการอาเชสนาก่อนไม่พึงสวดปาฏิโมกในท่ามกลางสง์ทิสุดใดสวดทิสุ น, นั้นต้องอาบัตทุกกดไม่ใช่เฉพาะสวดปาฏิโมกอย่างเดียวเท่านั้นแม้ธรรมกถาก็ไม่ควรกล่าวเพราะมีพระบาลีว่าดูความทิสุทั้งหลายทิสุไม่ได้รับการอาเชสนาไม่พึงกล่าวธรรมในท่ามกลางสง์รูปใดกล่าวรูป น, นั้นต้องอาบัตทุกกด ก็ในอเชสนาที่การนี้คือเรื่องการอาเชสนาการเชิญเนื่องด้วยพิสุผู้เชิญแสดงธรรมซึ่งสงสมมุติก็มีเนื่องด้วยพระสังฆเถระก็มีหมายถึงมีการสมมุติให้พระสงค์เป็นผู้เชื้อชิญแสดงธรรมก็มีหรือว่าพระเถระจะเชื้อชิญเองก็ได้เพราะเหตุนั้นเมื่อพิสุผู้เชิญแสดงธรรมนั้นไม่มีพิกสุเรียนพระสังฆเถระแล้ว หรืออันพระสังฆเถระอันเชิญแล้วย่อมได้เพื่อกล่าวธรรมพระสังฆเถระเล่าถ้าในวัดที่อยู่มีพระธรรมกถถึกมากพึงสั่งตามลำดับวาะทะิสุผู้ซึ่งท่านสั่งว่าเธอจงสวดธรรมก็ดีเธอจงแสดงธรรมก็ดีเธอจงให้ธรรมาทานก็ ด, กดีพึงกล่าวธรรมได้ทั้งสามวิธีคือจะสวดก็ได้สวดสารพันย่หรือว่าจะสแสดงธรรมหรือว่าจะ ให้ทาก็สามารถที่จะทําได้เทนั้นแต่พิจตุผู้ได้รับคําสั่งว่าจงสวดย่อมได้เพื่อสวดเท่านั้นผู้ได้รับคําสั่งว่าจงแสดงย่อมได้เพื่อแสดงเท่านั้นผู้ได้รับคําสั่งว่าจงสวดสารพันยะย่อมได้เพื่อสวดสารพันยะเท่านั้นฝ่ายพระเถระเล่าผู้นั่งบนอาสนะสูงกว่าย่อมไม่ได้เพื่ออัญเชิญถ้าพระสังฆเถระเป็นอุปชาและพระธรรมกถึกเป็นสัตว์ที่วิหาริ แล้วถ้าอุปชานั่งบนอาสนะสูงสั่งสัตย์ที่หาเรศนั้นว่าเธอจองสวดพึงตั้งใจสาทะยายแล้วตวเดเถิดก็คือต้องมีมนุษการดีๆมีพระพิสุทธ์หนุ่มอยู่แถวนั้นก็ตั้งใจว่าเราจะสวจให้พระพิสุทหนุ่มฟังแต่ถ้าในสํานักอุปชาหนี้มีพิสุทธหนุ่มมากพึงตั้งใจว่าเราตวจแก่พิสุทเหล่านั้นแล้วตวเดเถิดก็ว่าเดี๋ยวบุชานี้จะมีโทษ นั่งบนที่สูงกว่าผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยมีโทษพระวิสูนหนุ่มถ้าเกิดตั้งใจตรวจให้พระบัชาฟังนั่งบนที่ตำ่ำแสดงธรรมแบบทูที่อยู่ในที่สูงก็ต้องอ บ, บัติทุกข์ใจเหมือนกันันก็ต้องใส่ใจในราชการเพราะว่าอุปชาสั่งแล้วก็ต้องฟังอุปชาเหมือนกันนแต่ว่าตั้งใจตรวจให้หว่ากล่าวทำให้่ิตุณหนุ่มนอกนี้ถ้าพระสังถระในวัดที่อยู่ให้ตรวจแต่นิสิต ข, ของตนเท่านั้น หมายถึงว่าให้แต่รู้สิทธิของตนเองสวดเท่านั้นไม่อัญเชิญที่ส่เหลา่หล า, อหลาอื่นที่เปิดเผเต่ะบ้าทิ้งส่วนเหล่าอื่นเพืเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญพวกผมขอให้พิสูจชื่อโน้นสวดถ้าท่านตอบว่าพวกเธอจงเชื้อเชิญให้ตวจเถิดหรือท่านนิ่งเสียสมควรเชื้อเชิญให้ตรวจได้แต่ถ้าท่านห้ามไม่ควรสวดหากว่าเริ่มธรรมัตสวรรก็คือการฟังธรรมแต่เมื่อพระสังฆเถรยังมิได้มา เมื่อท่านมากลางคันกิจที่จะต้องหยุดขอโอกาสไม่มีเพราะว่าตอนที่เริ่มแสดงธรรมเมื่พระเถระไม่อยู่เราะฉะนั้นก็แสดงไปแล้วเมื่อพระเถระมากลางคันก็ไม่ต้องหยุดขอโอกาสอันหนึ่งเมื่อตรวจแล้วจะอธิบายเนื้อความเพิงขอโอกาสท่านแล้วจึงอธิบายก็ได้ไม่หยุดเลยอธิบายทีเดียวก็ได้แม้ในพระสังฆเถระรผู้มากลางคันเมื่อกําลังอธิบายก็มีในนี้เหมือนกัน ถึงในอุปนิสินนากถาก็หมายถึงคถาที่กล่าวสําหรับคนที่เข้ามานั่งใกล้คือแสดงธรรมให้เขามีความร่าเริงอาตถานนั่นแหละพระสังฆเถระเท่านั้นเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพระสังฆเถระนั้นพึงกล่าวเองหรือสั่งพิสุอื่นว่าเธอจงกล่าวก็แหลมพระเถระนั่งสูงกว่าไม่ควรสั่งแต่ว่าจะสังะ่งพิสุทั้งหลายว่าจงกล่าวแก่มนุษย์ทั้งหลายควรอยู่ ชวนทั้งหลายขอพิจุผู้รู้จักตนคือที่ตนรู้จักให้กล่าวทำพิสุนนั้นพึงขอโอกาสพระเถระก่อนจึงค่อยกล่าวทำกลับพระเถระถูกพิสจนนั้นเรียนถามว่าท่านผุจเจริญชนเหล่านี้ถามปัญหากับผมอัง น, นี้แล้วสั่งว่าตอบเถิดก็ดีนิ่งเสียก็ดีจะตอบก็ควรแม้ในการอนุโมทนาเป็นต้นในละแวกบ้านก็ในนี้แล ถ้าว่าพระสังฆเถรอนุญาตว่าเธอพึ่งกล่าวในวัดที่อยู่หรือว่าในละแวก บ, บ้านเถิดไม่ต้องบอกเล่าฉันละัะเป็นอันได้ข้ออ้างสมควรกล่าวได้ในที่ทั้งปวงแม้เมื่อจะทําการสาธยายเล่าก็ต้องขอโอกาสพระเถรเหมือนกันเมื่อขอโอกาสองค์หนึ่งแล้วกําลังสาธยายองค์อื่นมาอีกกิจที่จะต้องขอโอกาสอีกไม่มี ข อ, อการพระเถระองค์หนึ่งแล้วองค์อื่นมาก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าไม่มีอ ბ ัตรนะข อ, อการแล้วนี่หากว่าเมื่อผูกใจว่าเราจะพักแล้วหยุดอยู่พระเถระมาเมื่อเริ่มอีกต้องขอโอกาสแม้เมื่อกําลังสาธยายทำที่ตนเริ่มไว้แล้วแต่เมื่อพระสังฆเถระยังไม่ได้มาก็ในนี้แหละคือถ้าสาธยายไปเรื่อยพระเถระมากลางคันก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดข อ, อกาสแต่ถ้าเกิดตนเองตั้งใจจะหยุดพักเหนื่อย แล้วว่าพระเถระมาก็ต้องขอโอกาสทายาแสดงต่อพระสังฆเถระองค์หนึ่งอนุญาตแล้วว่าไม่ต้องขอโอกาสฉันละท่องตามสบายเธอดังนี้สมควรสาธยายตามสบายแต่เมื่อพระสังฆเถรองค์อื่นมาต้องขอโอกาสท่านก่อนจึงสาธยายเดี๋ยวท่านจะไม่พอใจท่านก็ต้องขอโอกาสก่อนก็ในวิหารใดที่ตุทั้งหมดล้วนเป็นผู้ข่าวไม่ฉลาดไม่รู้จักสวจปาติโมก ในวิหารนั้นพิจูควรทำอย่างไรเกิดมีพระพิจูอยู่ในวัดแต่ว่าสวดปาฏิโมกไม่ได้เลยจะทำอย่างไงพวกพิจุเหล่านั้นจึงส่งพิจุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียงที่พอจะกลับมาทันในวันนั้นคือในวันที่จะลงโบสดสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ด้วยสั่งว่าดูก่อนอาวุโสเธอจงไปเรียนปาฏิโมกโดยย่อหรือโดยพิจตาลมาก็ถ้าได้อย่างนั้นเป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนั้น พิสู์เหล่านั้นทั้งหมดควรไปสู่อาวสาที่ที่พิสษุเช่นนั้นอยู่หมายถึงว่ามีพิสูจ์ที่สรวจปฏิโมกได้อยู่ทุกทุกกึ่งเดือนเพื่อทำอุโบสถต้องไปเป็นทุกกดแก่พิสษุ์ที่ไม่ไปก็อาบัตทุกกฎนี้ย่อมมีทั้งในฤดูหนาวทั้งในฤดูร้อนส่วนในฤดูฝนการจำภรษาแรอยาจำภรษาปราศจากพิสูผู้สวดปฏิโมก หากว่าพิสูุผู้สวดปาติโมกข์นั้นหลีกไปเสียสึกเสียหรือมรณภาพลงต่อเมื่อพิสูตทั้งหลายจำภรษาแล้วเมื่อพิสษุอื่นที่สวดได้มีอยู่นั่นแลจึงควรจำภรษาหลังเมื่อไม่มีต้องไปในอาวาสอื่นเมื่อไม่ไปต้องทุกกดแต่ถ้าพิสุตผู้สวดปาฏิโมกข์นั้นหลีกไปเสียสึกเสียหรือมรณภาพลงในการข้ามภาษาหลังพ่งอยู่ในที่นั้นตลอดสองเดือน พวกพิสูจเหล่านั้นอยู่ในอาวาสใดล้วนเป็นผู้แคลวไม่ฉลาดถ้ามีพิสูุบางรูปมาในอาวาสนั้นเป็นผู้สูตรเป็นผู้ชํานาญในคัมภีร์ทรงไทมทรงวินยัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นลับชีมักรังเกียจเครื่อยต่อสิขาพวกพิสูจเหล่านั้นเึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ปราศัยบํารุงพิสูจนนั้นด้วยจุรนยินเหนียวไม้ชํราระฟันน้ําล้างหน้า ถ้าไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์ไม่ปราศัยไม่บำรุงด้วยจุรนดินเหนียวไม้ชําระฟานน้ําล้างหน้าเป็นทุกกฎแก่พวกเธอทั้งหมดต้องเอาใจเพื่อจะให้อยู่ในวัดนั้นแล้วก็ให้สวดปาฏิโมกจะได้ไม่ต้องอาบัตด้ยวยการทุกรูในอธิการนี้พระเถ ร, ระก็ไม่พ้นพระหนุ่มก็ไม่พ้นเหมือนกันเทกสูตรทั้งปวงเพิงให้เปลี่ยนวาระกันบำรุงเป็นอาบัตแก่ทิจุผู้ไม่บำรุงในวาระของตนก็ต้องเอาใจต้องดูแล ปราศัยคุยด้วยแต่พิจูผู้ผู้หูสูตรนั้นอย่าพึงยินดีวัดมีการกวาดบริเวณและการให้ไม้สีฟันเป็นต้นของพระมหาเถระทั้งหลายให้สูนุ่มแต่วัชระนั้นก็ต้องไม่ถือตัวต้องไม่ยินดีในการทําวัดของพระมหาเถระจะพระมหาเถระก็ต้องมาทําวัดนั่นแหละแม้เมื่อข้อที่พิจูผู้สูตรไม่ยินดีพระมหาเถระทั้งหลายก็ควรมาถูกที่บํารุงทั้งเชา้าทั้งเย็นเลย โออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคารพพระธรรมใครที่ทรงธรรมทรงวินัยต้องเคารพในธรรมนวินัย น, นั้นแต่พิสูุผู้สูตรนั้นรู้การมาของพวกพระมหาเถรนั้นแล้วควรไปสู่ที่บระโงของพระมหาเถรก่อนก็คือรู้ว่าท่านจะมาหาเราเราก็ไปหาท่านก่อนรู้ว่าไปปัดว่าไปดูแลท่านบ้างถ้าพิสูจนผู้เที่ยวมากับเธอซึ่งเป็นอุปถัาคมีอยู่เธอพึงห้ามเสียว่าอุปถาของผมมีอยู่ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดผมท่านไม่ต้องมาหรอกครับผมมีอุปถากแล้วแม้ถ้าว่าพิกษูผู้เที่ยวมากับเธอไม่มีแต่ภิจุรูปหนึ่งหรือสองรูปพูดถึงพร้อมด้วยวัดในวิหารนั้นเองกล่าวว่าผมจัดทา ก, รรกิจที่ควรทำแก่พระเถระเองภิษุที่เหลือจงอยู่ผาสุกเถิดไม่เป็นอาบัติแก่พิจูทั้งปวงจะเกิดมีผู้ที่รับอาสาทากิ จ, จวัดอะไรต่างๆให้ กับที่ตูกผู้เป็นผู้หัวโง่ที่ตุกรูปอื่นได้ข้ออ้างก็ผลอบัติเพราะฉะนั้นเรืวินัยก็เป็นเรื่องที่จะละเอียด เ, เรื่องของมารยาจะ เ, เรื่องของข้อวัตร เ, เรื่องของการที่จะมีสติสมิชัญญะในการที่จะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างฝาสุขแล้วก็จะได้อบรมไตรจิตข า, าเพืความก้าวหน้าในเพื่อทำวินัยของประสมมาสำมุตรเจา้าเพราะฉะนั้นก็คอยตั้งทงหลายเป็ผู้ที่เลื้อเฟือต่อพระวินยัยแล้วก็ส่งทําน้อมนาเอาท ร, รมวินยัยไปปฏิบัติหนวยศีล เพื่ออบรมสมาธิเพื่อเจริญวิปัสสนาปัญญาจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมพน้นากทุกในเร็ววันนี้ด้วยเถิดอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ